ก่อนเข้าเนื้อหาหลักอลกอสรุปข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชิมาปฏิปทาคือมัคหรือทางสายกลางเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นดังนี้มัชิมาปฏิปทาหรืออริยศัสตร์ข้อสุดท้ายคือมัคเป็นประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นคาสอนภาคปฏิบัติ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 หรือการดำเนินชีวิตที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายคือบรรลุถึงความดับทุกข์จึงเป็นทางสายกลางหรือมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางคือการไม่เข้าไปคล้องแวะกับทางที่ผิดทางที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เช่นพุทธพจน์จากปฐมเทศนาตรัสถึงที่สุดสองอย่างคือการมาสุ ข, ขันลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่้วยกาลมาสุขคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าชอบใจและอัตตากิลามัานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนตนเป็นทุกข์ไม่เป็นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และตรัสว่าทางสายกลางคือมัคคาอันเป็นอริยะได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิหรือที่รู้จักกันในชื่อว่ามัคมีองแป ในกุตการนิกายอุทานประไตปิฎกเล่มที่25มีพุทธพจน์รัดไวอีกว่าคนพวกที่ถือเอาการเล่าเรียนเป็นสาระถืออศีนวัดคือข้อปฏิบัติการหาเลี้ยงชีพการถือปรหมจรรย์ในที่นี้คือแบบนักบำเพ็ญตะบักและการบำรุงบำเรอเท พ, พเจ้าเป็นสาระนี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งอธถกถาว่าคือศิลปตะปารามารการปฏิบัติตามความเชื่อนอกพระพุทธศาสนา ที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์และคนพวกที่ถือวาทะว่าโทษในกรรมไม่มีนี้ก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งทางสายกลางคือไม่เข้าไปคล้องแวะทางที่ผิดแต่ไม่ใช่การอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองอย่างเหมือนเรื่องที่มักเข้าใจกันในแนวของการตั้งสายผินให้ตึงหรือหย่อนเกินไปซึ่งแบบนั้นเรียกว่าวิริยะสมตาแปลว่า ความพอเหมาะพอดีหรือสม่ำเสมอแห่งความเพียรที่แต่ละคนอาจจะมีความพอดีไม่เท่ากันโดยบางคราวถ้าชัดเจนว่าเดินถูกทางมั่นใจและพร้อมทุกอย่างแล้วท่านเฮระดงความเพียรสุดกำลังถึงจะตายก็ต้องยอมเช่นพระพุทธเจ้าตั้งพระทัยเดียดเดี่ยวในราตรีที่ตรัสรู้เป็นต้นมันชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่ถูกต้องนั้น เรียกเหมือนการยิงลูกศรให้พุ่งตรงเป้าไม่เอียงออกไปนอกเป้าหมายและเป้าหมายของพุทธศาสนาก็คือความดับทุกข์นั่นเองซึ่งมีพุทธพจน์ในอังคุตรานิกาติกานิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่20ส่ทรงไขความทางสายกลางไว้ในที่นั้นว่าได้แก่ธรรมะหมวดใดก็ได้ในโพธิปัคิยธรรม37ประการซึ่งประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่ ประทาน4อิทิบาสีอินสียห้าพละหโพชงเจและมัสมีองค์ด